การแสดงธรรมนี้ยังเป็นภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสาคัญที่สุดยิ่งกว่าภารกิจต่างๆถ้าเราศึกษาพุทธกิจหที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญอยู่ทุกวันนี้เราจะเห็นเลยว่าทรงให้ความสาคัญต่อการอบรมสั่งสอน ต่อการแสดงธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งบรรพชิตและฆราวาสพุทธกิจห้ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็ทรงแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาตโยมในตอนบ่ายข้อที่สองในตอนค่ำก็ทรงแสดงธรรมให้แก่ภิกษุสามเณร ข้อที่สในตอนดึกก็ทรงแสดงทําให้แก่เทวดาข้อที่4ตอนเช้าก่อนจ ะ, สะเสด็จออกบิณฑบาตก็ทรงเล็งยาดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใดไปโปรดบุคคลใดเป็นกรณีพิเศษ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 แสดงว่าไม่มีสติไม่มีความเพียรกันเพราะความเพียร ใ, ในการปฏิบัติธรรมก็คือการเพียรสร้างสติขึ้นมานี้เองเพราะสตินี้เป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งไม่มีธรรมไดที่จะสำคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วทมอย่างอื่นเช่นสมาธิปัญญาวิมุตติ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 อื่นๆทั้งหลายที่กำลังทากันอยู่พะยังไม่ได้ลิมรสแห่งธรรมนั่นเองยังไม่ได้สัมผัสกับรสของธรรมถึงแม้ฟังธรรมถึงแม้กายวาจาจะนิ่งจะสงบแต่ใจนี้ยังวอกแวกอยู่ยังวัดไปที่นู่นยังวัดมาที่นี่ได้ยังมีการวัดไปวัดมาอยู่ ไม่ตั้งมั่นอยู่กับการฟังทาอย่างต่อเนื่องทาที่เข้ามาที่เป็นกระแสของเหตุของผลก็จะเกิดการขาดตอนขึ้นมาเมื่อเกิดการเกิดการขาดตอนความเข้าใจในหลักของเหตุของผลก็จะไม่เป็นไปไม่สามารถเห็นเหตุและผลที่เชื่อมต่อกันได้ก็ยาไม่ได้เกิด ปัญญาขึ้นมายังไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมที่กำลังฟังอยู่ในขณะนั้นถ้าฟังแบบพระปัญจวัคคีย์ฟังแบบพระอัญญาณโกนธัญญานี่จะฟังแบบมีสติจดจ่ออยู่กับการฟังตลอดเวลาใจนี้จะไม่วกไปที่ไหนเลย พอไม่แวาไปไหนการแสดงด้วยเหตุด้วยผลก็จะต่อเนื่องกันเห็นเหตุเห็นผลเกิดความเข้าใจเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดปัญญาเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาเพราะอำนาจของสติที่คอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ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 เป็นเหมือนกับสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นทาที่ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาได้อนันนี้เหมือนกับได้ฟังเขาพูดกันสิบครั้งสู้คำที่เห็นจากการปฏิบัติเพียงครั้งเดียวไม่ได้เ mm. การจะฟังธรรมแล้วได้ไประโยชน์จากการฟังธรรมส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ผู้แสดงธรรมด้วย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 ก็เลยได้ผลทันทีทันใดในขณะที่ฟังเทศฟังธรรมได้กำลังที่จะตักภพตัดชาติได้ในขณะที่กำลังฟังธรรมเลยอันนี้ก็เป็นกรณีสำหรับบุคคลที่เรียกว่าเบบัวเหนือน้าทั้งหลายพวกที่มีอินทรีย์มีอินทรีย์ที่แก่ก้า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 พิจารณาดินน้าลมไฟอันนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ก็หลังจากที่ได้อบรมสั่งสอนไปผู้ปฏิบัติก็จะพัฒนาจากบัวที่ปิ่นน้ำขึ้นมาเป็นบัวเหนือน้ำได้ฝึกสติจเจริญสมาธิจนได้อัปปนาสมาธิได้ฌานแล้วพอนำเอาปัญญาที่พระพุทธเจ้าส่งแสดงให้มาพิจารณา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 ปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาเหมือนกันแล้วถ้าพยายามทำไปเรื่อยๆก็จะพัฒนาจากบัวกลางน้าไปเป็นบัวเปลิ่มน้ำจากบัวเปริมน้ำก็จะเป็นบัวเหนือน้ำแล้วก็จะเป็นบัวบานตามลำดับต่อไปบรรลุธรรมขั้นต่างๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สของชาวพุทธเรา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 ให้บาตรบ้างนทำบุญให้ทานบ้างแต่เรื่องการรักษาศีลเรื่องของการภาวนานี้ไม่เคยคิดถึงไม่มีศรัทธาความเชื่อว่ารักษาศีลภาวนานแล้วจะได้ประโยชน์อย่างไรนี่คือเรื่องของการแสดงธรรมของพระพทเจา้าต่อสัตว์โลกพระองค์ทรงสแสดง กับผู้ที่มีความสามารถที่จะน้อมเอาธรรมของพ่อองค์ไปปฏิบัติได้พวกที่ไม่มีความสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติพระ อ, องค์ก็ไม่ทรงแสดงให้เสียเวลา mm hmm. นี่คือเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของการแสดงธรรมเป็น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 วันที่ไปจับหางช้างก็บอกว่าช้างนี่มันเป็นเหมือนเชือกนะก็ถูกไม่มีไม่ผิดมันก็เป็นหางหางมันก็เป็นเหมือนเชือกแต่คนหนึ่งก็ไปคำทองช้างก็บอกไม่ใช่มันไม่ได้เป็นเหมือนเช <icking dead. S 2> ือก<ๆ>มันเป็นเหมือนฝาผนังอีกคนก็ไปคำเอางวงมันก็บอกไม่ใช่มันเป็นเหมือนงู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 เห็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัตินั้นเป็นสิ่งที่สาคัญที่จะต้องปฏิบัติกันทุกทุกข้อทรงให้รักให้ทาทานก็ต้องทาทานถ้ามีเงินไปเที่ยวนี่ท่านบอกให้เงินไปเที่ยวนี้มาทำทานกันถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำถ้าต้องเก็บเงินไว้เรียยงปากเรื่องท้องใช้กับของจำเป็นก็ไม่ต้องเอามาทำทาน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 ถ้าเอาเงนี้ไปทําบุญกันมันจะได้หยุดเที่ยวกันหยุดซื้อของกันจะได้หยุดหาเงินกันจะได้มีเวลามาหาธรรมกันอันนี้พอมาปฏิบัติธรรมท่านก็สอนให้รักษาศีลกันผู้ปฏิบัติธรรมนี้ก็ต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลห้า น, นี้ไม่มีกําลังพอที่จะสนับสนุนการภาวนา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 เมื่อเราจเจริญสติทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เราก็สามารถเอาปัญญามาหยุดกิเลสได้มาละกิเลส ต, ตัณหาต่างๆได้พอเรามีปัญญาไว้ละกิเลส ต, ตัณหาได้การดุดพ้นก็จะเป็นผลตามมาดุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็เป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนอย่างที่ทรงได้แสดงไว้เป็นขั้นๆ คือหนึ่งสมาธิที่อบรมด้วยศียลด้วนี้มีอ น, นิสงส์มากมีประโยชน์มากแล้วก็สมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วนี้ก็มีคุณประโยชน์มากเจ็บที่มีปัญญาอบรมก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย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 ผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมนี่ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะไม่มีใครสอนอย่างนี้มีแต่พวกที่ไม่ได้ปฏิบัตินนัสอนให้อใช้ปัญญาเลยดูจิตเลยฆ่ากิเลตเลยดูไปก็ฆ่ามันไม่ได้ไม่มีกําลังไม่มีกําลังของสมาธิไม่มีกําลังของศีลไม่มีกําลังของทานที่จะสนับสนุน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 ก็ได้แค uh, ่นั qu ้น enfin น่ะได้ตอนสาธุดีใจว่าจบสักทีเอวังก็่รู้จะจบดีไม่ดีจบก็จบก็คิดว่าพอสมควรใจเวลา ขออนุโมธนาให้คุพลเพราะายแล้วถ้ามีแต่พวกฟังนี้ไม่รู้อยากจะพูดไม่อยากจะพูดแล้วต่อไปนอแต่สาธุอย่างเดียวลำดับต่อไปก็ให้ท่านที่ต้องการถวายเท่าของเลยมารับหนังสือทีดีให้เข้ามาได้ ขอเชิญเข้าทางด้านหลังออกทางด้านหน้าเดินทางเดียวอย่าเดินย้อนสวนอย่าเดินสวนทางกันเพื่อความสะดวกรวดเร็เวไม่ต้องปรับไหว้ก็พอหลังจากนั้นก็จะมีการถามตอบปัญหาธรรมอีกช่วงหนึ่งลำดับต่อไนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านที่ต้องการถามปัญหาธรรม ก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่ถามตอนนี้เวลาเลิกประชุมแล้วก็จะไม่ตอบยังของงดก็จะได้พักผ่อนตอนนี้ต้องการถามถามได้เลยถ้ายังไม่มีคำถามจะให้ทางบ้านที่ฝากคำถามเข้ามาให้ทางพิธีกรได้ถามมา คำถามจากทางบ้านจากคุณซูซี่หากเราทะเลาะหรือด่าแม่ชีที่มีสีไม่ครบทำตัวไม่น่านับถือเราจะบาปไหมคะโยมกลัวบาปและมีสติจึงใช้ขันติแต่กลัวว่าวันหนึ่งขันติอาจจะหมดมเลยขอกาเรียรถามพระอาจารย์ไว้ก่อนคะ่ะ อ, อ๋อด่าใครก็บาปทั้งนั้นแหละงั้นอย่าไปด่าใครทั้งนั้นเขา เขาผิดเขาถูกก็เรื่องของเขาว่ากล่าวตักเตือนกันได้แต่อย่าใช้พระุษว่าด์อย่าใช้อย่าด่าด้วยความโกรธความเกลียดถ้ามีหน้าที่ต้องบอกความผิดถูกทำหนีติเตียนว่ากล่าวตักเตือนก็ว่ากันได้ด้วยเหตุด้วยผลแต่ไม่ควรด่าด้วยความโกรธเกลียดคําถามต่อไปจาก Facebook Live นะคะคําถามจากคุณแอนนา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 พระโสดาบันนี้ท่านจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็มาปฏิบัติธรรมต่อไม่เกินเจดชาติพระนาคามีถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมได้แล้วก็บรรลุไปปฏิบัติในสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุเป็นพระอรันตามลำดับต่อไปคำถามจากคุณพนพิทักษ์ถ้าพ่อแม่ทํากรรมไม่ดีผลกรรมจะตกถึงลูกไหมครับ เรากรรมกายกรรมมันเรามีกรรมเป็นของของตนจะทำกรรมันใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมนั้นเพียงคนเดียวไม่เกี่ยวกับคนอื่นคำถามจากคุณมงคลพอดีนั่งสมาธิไปประมาณชั่วโมงแล้วรู้สึกถึงเวทนาความปวด <c oughs> ก็ลองที่จะก็ลองที่จะรู้ถึง ก็ลองที่จะรู้ถึงความปวดนั้นสักพักความปวดหายไปแต่อยู่ๆออกจากสมาธิเลยโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนจะให้นั่งสมาธิได้แค่นั้นควรจะทำอย่างไรต่อไปครับพอหมดสติสติหมดกำลังมันก็เลยออกมาถ้าอยากจะนั่งต่อก็ต้องเจริญสติต่อบริกรรมพุทโธพุทโธไปเหมือนเข็นรถขึ้นเขาเวลาบริกรรมพุทโธตอนที่อยากจะอยากจะลุกนี่มันจะเหนื่อย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 ต่อไปตั้งใจว่าจะทำงานไม่ฟังผู้ใดมากแล้ววันรุ่งขึ้นมีการเคลียร์กันตึงๆทะเลาะกันถกเถียงกันว่าใครพูดอะไรหนูพยายามตั้งสติแต่สิตก็ตกเหมือนกันขอแนวทางพระอาจารย์ว่าจะทำงานให้มีความสุขอย่างไรและทำตัวอย่างไรต่อไปคะก็ทำงานอย่าไปยุ่งกับคนอื่นคนอื่นเขาจะพูดเขาจะทำอะไรก็ ถ้าไม่เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับงานเราก็อย่าไปสนใจคำถามจากคุณพิมพรหนูฟังคาสอนของพระอาจารย์ทุกวันหนูทำตามแล้วก็เตือนสตินำมาใช้ในชีวิตประจวาวันแล้วผลบุญที่หนูทำมันก็เกิดขึ้นโดยมาโดยอัตโนมัติขอโทษค่ะอัน้เาเล่าให้ฟังคาถามจากคุณพัชคณิกาสมาธิต่างกับฌานหนึ่งอย่างไร ขณะก่สมาธิมันก็เหมือนชานอยู่ในชานสีแต่มันอยู่เดียวๆแล้วก็ถอนออกมาถ้า ป, ปนาสมาธิก็จะอยู่ในชานสีได้นานครำถามจากคุณดอกแก้วสวดมนต์ยังไงให้มีสมาธิคะก็สวดไปนานๆสวดไปจนกว่าจิตจะเนืง่งจิตจะสงบตรนนี้คําถามหมดแล้วค่ะ ให้เราถามบ้างัหมปฏิบัติไปทีงไหนแล้วมาคัมาังเทศ้องทําตั้งปีเท่าไหร่สามเจ็ดอะสี่แปด นี่หกศูนก็สิบสองปอีสองปีแล้วได้อะไรบ้างก็ได้ไปหลายคนนะไปปฏิบัติกันก็ได้บ้างก็เหมือนตกปลามันจะได้ทั้งทั้งหมดเลยคงไม่ได้ก็เอาที่เราตัวสองตัว <c oughs> <c oughs> มีคำถามเลยถามเลย นรัสการหลวงพ่อค่ะหลวงี่คำถามว่าพูดใกลนะ้ๆเลยอ่รับเจ้ า, าเก็บเงินกู้ดอกร้อยละ20อ่ะบาปไหมเจ้าคะาไม่บาปเพรมันโหด <c oughs> อัไนไร้ความเมตต า, ามันโลภ <c oughs> ไม่ใช่หนูค่ะค่ะไม่ไม่บาปเพราะาถ้ามันเป็นการยินยอมทั้ง2ฝ่ายเราไม่ได้ไปเที่ยวเข็นบังคับเขาเหมือนเราขายของแพงอ่ะ แต่เขาอยากจะซื้อก็ช่วยไม่ได้คือเรื่องนี้เป็นลูกชายหนูอะค่ะหนูโทรไปถามว่าตอนนี้สบายไหมเขาบอกว่าเอรูอูพอมีรับจ็อบพิเศษก็ถามว่าจ็อบอะไรเขาบอกว่ารับจ้างเก็บเงินกู้บอกวิดอกมันแพงเหลือเกินแล้วหนูก็เลยไม่สบายใจก่าบาปหรือไม่บาปแต่โหดใช่ไหมครับคะเออแต่เราเป็นเราเป็นคนรับจา้างไม่เกี่ยวก็เป็นคนเหมือนก็ไปเก็บเงินเท่านั้นเองแต่ได้อย่าไปเก็บแบบที่ต้องไป ซ้มเขาอะไรท่านเองถึงเวลาก็ไปเก็บถ้าเขาให้ก็รับไว้ไม่ให้ก็กลับไปบอกเจ้าของก็ยังเก็บไม่ได้แต่ถ้าไปข่มขู่ไปทําร้ายร่างกายเขาอย่างเงี้ยถึงจะบาปสาธุก็บอกวุชัยอย่างนั้นหมดเอออย่าไปทําร้ายที่ถึงหัวอกขาวหกเราคนอื่นทําร้ายเราเราจะรู้สึกอย่างไรเจค่ะเราก็ไม่ควรไปทําร้ายพูดมีคําถามใหม่ขึ้นไหมอ่ะมีค่ะ คำถามจากคุณเอกเอาลูกน้ำให้ปลากินจะได้บุญหรือบาปครับบาปสิเพราะเหมือนกับการฆ่านะเอาสิ่งที่มีชีวิตเอาลูกเราไปให้หมากินมั่งเดือนนีงโดยเสจะได้บุญหรือได้บาปคำถามจากคุณดอกแก้วขณะขับรถไปทํางานท่องพุทโธได้ไหมคะได้แต่ไม่ควรถ้าขับรถควรจะอยู่กับการขับรถจะดีกว่า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 คิดเรื่องนู้เรื่องนี้เดี๋ยวมันก็หันเอานิ้วไปแสดงว่าไม่มีสติเนีเวลาทําอะไรต้องมีสติอยู่กับงานที่เราทําเป็นหลักแต่ถ้ามันจะไปคิดนู่นคิดนี่เราดึงมันมาได้ด้วยพุทโธก็เดินกลับมาให้มันอยู่กับการหันผักอยู่กับงานที่เรากําลังทําคําถามจะคุณจุธทาทิพภาวนาด้วยพุทโธแล้วไม่สงบหนูเลยหยุด แ ล, แล้วลองพิจารณาขผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นพอถึงเอ็นรู้สึกว่าลมหายใจเหลือแต่ลมหายใจละเอียดแต่มีอาการปวดขาเพิ่มขึ้นไม่สามารถพิจารณากายต่อเลยเปลี่ยนมาพุทโทแต่ส anyway, ู้เวทนาไม่ได้อีกจึงเปลี่ยนมาท่องผมขนนเล็บฟันหนังเร็วๆก็สู้เวทนาไม่ได้เลยหยุดภาวนาหนูควรทำอย่างไรคะก็ควรหมั่นเจริญสติไปก่อนก่อนที่จะมานั่ง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 ช่วงนี้เมื่อได้ยินเสียงการพูดคุยรู้สึกราคาญ ร, ราคาญใจขอวิธีการวางใจค่ะก็ต้องทำใจให้สงบให้มีสติอยู่กับคำบริกรรมก็ได้เวลาไม่สบายใจราคาญใจก็ให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าส่งใจไปถึงสิ่งที่ทำให้เราลาคาญพอเราดึงใจออกจากเรื่องที่ทำให้เราลาคาญได้ความลาคาญใจมันก็จะหายไป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 แล้วดูย้อนหลังอีกเกือบห้าหกพันมั้งเห็นยอดที่เขาขึ้นแล้วเข้าถึงนี้วันละประมาณห้าหมื่นหกหมื่นแต่ไม่ทราบคาหมายว่าเข้าถึงนี้หมายถึงไงก็งไปถึงเครื่องของพวกเรามันเข้าถึงเครื่องพวกเรามันก็เรียกว่าเข้าถึงแล้วแต่เราจะดูไม่ดูนั้นอีกเรื่องหนึ่งถ้าดูเขาก็จะบอกว่ารับชมถ้าเข้าถึงก็วลาหกมืน หมื่นเแล้วถ้ารับชมก็ประมาณ 5,000-6,000 ถ้าดูตอนถ่ายทอดสดก็300กว่ า, าก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากทำให้คนที่ไม่สามารถมาถึงที่นี่ได้สามารถรับฟังได้จากทางบ้านสามารถรับประโยชน์ได้ถึงแม้จะไม่มีคนมาที่นี่เลยก็ยัง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 ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะถ้าเราปล่อยให้ใจคิดมันก็จะไม่สงบมันก็จะฟุ้งมันก็จะวุ่นวายใจพอเราเดึงมันมาสวดบนความพุ่งความวุ่นวายใจก็จะหายไปเช่นเรากําลังวุ่นวายกับลูกกับสามีกับภรรยาพอเรามาสวดอยู่กับการสวดเราก็ลืมเรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาไปความฟุ้งความวุ่นวายใจก็ระ ง, งับไปชั่วคราว แต่ยังไม่นิ่งสงบรวมเป็นอัปปนาสมาธิถ้าอยากจะนิ่งก็ต้องบริกรรมพุทธโธคําเดียวหรือเพ่งดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวอย่างนั้นมันก็จะรวมเข้าเป็นอัปปนาสมาธิจิตเหลือแต่สักแต่ว่ารู้ได้การสวดบวชสวดบทไหนก็ได้แล้วแต่ที่เราจะชอบ เราชอบสวดบทพุทธคุณก็สวดบทพุทธคุณไปชอบธรรมคุณชอบสังคคุณก็สวดไปชอบธรรมจักก็สวดไปชอบสติปัฏฐานสตดก็สวดไปความจริงการสวดนี้มันถ้าเข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาด้วยเพราะเป็นเหมือนกับการอ่านอ่านเทศของพระพุทธเจ้าพระสตรของพระสตรก็คือเทศสนาของพระพุทธเจ้านั่นเองเช่นธรรมจักกับปวัตนาสตร ถ้าเราสวดไปแล้วเราขับแปลความหมายได้เราก็จะได้ปัญญาคำถามจากคุณหนูไก่ถ้าไม่สบายทานยาฆ่าเชื้อเป็นบาปไหมคะอ๋อไม่บาปหรอกเชื้อโรคมันไม่มีดวงวิญญาณเนีเชื้อโรคเหมือนมือนต้นไม้เนี่ยฟันต้นไม้ก็ไม่บาปฆ่ตัดต้นไม้ก็ไม่บาปเพราะมันไม่มีดวงวิญญาณอตอนนี้ต้องถามหมดค่ะมีคุณพิมพคอมเมนต์เข้ามาว่า มีประโยชน์เจ้าค่ะดูฟังทุงวกวันอ่าถูกอ่าให้กำลังใจคนพูดบ้างนะคนพูดก็ให้กำลังใจคนฟังคนฟังก็ต้องให้กำลังใจคนพูดบ้างนะไม่ใช่ว่าฟังแบบทัฟพีในหมอ้อแกงถ้าฟังแล้วเป็นเหมือนทัฟพีในหมอ้อแกงก็อย่าพูดดีกว่าพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เท่าเท่าที่เข้าไปอ่านคำนั้นก็เข้าไปดูนะ ก็มีคนบอกว่าได้ประโยชน์นะครับบางคนก็มาถึงที่นี่มากราบขอบพระคุณว่าเมือ่อวานนี้ก็มีคนมาบอกว่าช่วยดับความทุกข์ใจต่างๆได้มากทีเดียวหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมคนที่บ้านใส่บาตบางคนเขาก็มีความทุกข์ใจตอนนี้เขาก็หัวเราะยิ้มแย้มแจ่มใสได้เห็นหน้าเราก็หัวเราะ <laughs> ก็ทำมันทำให้เราได้สติได้ปัญญาได้รู้ว่าความทุกข์นี้เกิดจากตัวเราเองเราเอาค้อนมาทุบศรีศรษะเราเองเราไม่รู้พอรู้ก็หยุดเอาหยุดเอาค้อนหยุดทุบมันเราก็หายแล้วความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากต่างๆของเราเองอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ก็มีลูกสาวพาแม่มาบอกว่าตอนนี้แม่ก็ทุกข์กับสามีทุกข์กับลูก อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่เป็นเราก็เปรียบเทียบมันก็ฟังว่าเหมือนกับอยากให้มรกรเป็นสัพพรสเนี่ยอยากก็จะมันตายมันก็เหมือนเป็นไปไม่ได้มรกรมันก็ต้องเป็นมรกรเอจะให้มันเป็นสัพพรสได้อย่างไรคนเขาเป็นแบบนี้จะให้เขาเป็นแบบนั้นได้อย่างไรทุกไปเปล่าๆนอนร้องห่มร้องไห้บอกแล 6, ก้วมันไปเปลี่ยนเขาได้เปล่ามันก็เปลี่ยนเขาไม่ได้น พอหยุดยาปั๊บก็หัวเราะได้เราบ้าเลไม่อยากให้มรากรเป็นสัตว์ประหาค่ะถามจากคุณจันท์ผาหากการเจริญสติจัดเป็นสัมมาสัมมาสติในมรรคแการทําสมาธิจัดเป็นสัมมาสมาธิแล้วการเจริญปัญญาอยู่ในข้อใดของมรรคแครับก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเน่ย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 การทำงานที่ปัจจุบันนีแต่การแข่งแย่งแข่งขันกันทุกคนต้องการจะเป็นที่1หนูเบื่อมากแต่ยังมีความจำเป็นต้องทำอยู่ค่ะก็ให้คิดว่าเราทำเพื่อเล้งปากเล้งท้องก็แล้วกันเราไม่ได้ทำเพื่อให้เป็นที่1ที่สองเราทำเพื่อให้เรามีเงินทองให้เราอยู่ได้แบบในหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียงทำเพื่อให้เราอยู่ได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับทางร่างกาย แล้วเราเอาเวลามาศึกษาทํากันดีกว่ามาเป็นที่หนึ่งในทางธรามกันดีกว่าที่หนึ่งในทางธรรมนี้เป็นได้ทุกคนแต่ที่หนึ่งในทางโลกนี้เป็นได้ทีละคนใช่ถ้าจะเป็นนายกก็เป็นได้คนเดียวถ้าจะเป็นซ e อของบริษัทก็เป็นได้คนเดียวแต่ถ้าอยากจะเป็นอรหรันตทางพรพุทธศาสนานี้เป็นได้ทั้งหมดนี่เลยเนี่ยที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีกว่าใคร แล้วดีกว่าการเป็นซ e อเป็นอะไรใช่ไหพ่ออาหารนี่สุดยอดของการเป็นเลยนะมาเป็นพ่ออหารกันดีกว่าอย่าไปเป็นอย่าไปบ้าเป็นซีอเป็นประธานเป็นอะไรเลยนะคิดอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราจะสบายใจเพราะว่าถ้าเป็นพ่ออาหารนี่เป็นตลอดนะตายไปก็ยังเป็นอยู่นะถ้าเป็นซ e อนี่เดี๋ยวออกจากงานเ็าจบแล้วนะพออายุหกสิบเขาเกษียณแล้วจบนะ เป็นประธานาธิบดีเป็นเห็นไหมนี่เพิ่งเปลี่ยนไปคนเก่าแปดปีก็หมดแล้วนี่คนนี้คนใหม่เด็กแปดปีก็หมดแต่เป็นอารหารันนี่ไม่มีวันหมดตายไปก็ยังเป็นอยู่ยันไปแข่งเอาแข่งของที่ดีเดียวของไม่ดีอย่าไปเอาแต่เราไม่มีปัญญากันเรามีความหลงกันเราเลยไปเห็นผิดเป็นชอบเห็นกรุงจากเป็นดอกบัวกัน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 ทัพพีในหม้อแกงแปลว่าอะไรคะแปล่อย่าง<ถ>ี้ละค่ะถ้าต้องให้ตายก็ายมันก็สุดแล้วนะสุดๆของทัพพีแล้วมติมห า, าคุณนาริอพรถ้าฟังคำและปฏิบัติอยู่บ้านได้ไหมคะปฏิบัติที่ไหนก็ได้ถ้าปฏิบัติได้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 ปั๊บเดียวก็ถึงแต่ถ้าขับใต้ทางด่วนนี่โอ้ยมันไปเจอสีแยกไปเจอรถรถเสียรถจอดรถชนกันอะไรกันกว่าจะไปถึงกว่าคนที่เข้าไปถึงทางด่วนเขาหนับสบายแล้วคำถามจากคุณไพรินเวลาภาวนาพุทโธพุทโธแต่อีกใจก็นึกอยากไปทําบุญที่นั่นที่นี่แต่รู้พุทโธตลอด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 ถ้าเป็นนักบุญก็ไปเลยแต่ถ้าเป็นนักบวชนักภาวนาก็อย่าไปให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเนี Riv. ต้องพุทโธแบบไม่ไปคิดถึงถ้าพุทโธแล้วยังคิดถึงการอยากไปทําบุญอยู่ก็แสดงว่าพุทโธยังไม่ต่อเนื่อย<ม>ยังไม่ถี่พอต้องให้พุทโธจนกรทั่งลืมเรื่องทําบุญไปเลย เพราะว่าการภาวนานี่มันได้พบุญมากกว่าการไปทำบุญแต่ทีนี้ฐานะของคนเรามันก็ต่างกันคนที่ยังไม่มีกำลังที่จะภาวนาไม่มีกำลังที่จะพุทโธ ก, ก็ต้องอาศัยบุญที่เกิดจากการไปเททองหล่อพระไปเป็นเจ้าภาพ <c oughs> กระถงกระถิ่นด้วยไปเกา <c oughs> แต่คนที่เขาภาวนาได้ <c oughs> เขาก็ไม่ต้องไป เขาก็อยู่ปีกเว่ยกอยู่ในป่าเอาสมาธิเอาปัญญาดีป่าคำ <c oughs> ถามจะคุณวอล์กอะไรพระอาจารย์บอกว่าจะหายปวดจ้องจากการภาวนาต้องจเจริญสติการจเจริญสติทำอย่างไรครับก็ <c oughs> ให้บริกรรมพุโทโธไปทั้งวั น, นลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าไปคิดให้ฟุ้งซ่าน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 อย่างของเงินที่ให้มานี่ก็ที่นี่ก็ให้ใส่ซองไว้แล้วก็ใส่ว่างไว้กับที่ให้ถวายแต่ใบปภาวนาใบบอกว่าได้ถวายเงินใบกี่ตังจะได้รู้ได้จะตรวจเช็คลูกศิษย์ได้เ่างลูกศิษย์คําคำถามจากคุณพุทธรักษษาการสู้กับเวทนานั่งสมาธิเพชรใช้พุทโธภาวนา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 เวลาเกิดความอยากก็ต้องพิจารณาว่าการทําตามความอยากนี้จ ะ, จะนําไปสู่ความทุกข์การจะนําการยินยอมทำให้ความทุกข์หายไปก็ต้องไม่ทําตามความอยากถ้าเราเฟืนความอยากไม่ทําตามความอยากได้ต่อไปความอยากก็จะหมดกําลังไปคําถามจากคุณซานไรส์ถ้าเราเริ่มต้นจะทํางานหรือทําสิ่งใดด้วยความแน่วแน่แล้วระหว่างที่เรากําลังเริ่ม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 พอใจสงบแล้วใจจะมีเหตุมีผลเราก็เริ่มคิดด้วยเหตุด้วยผลได้ว่าต่อไปนี้เราจะทำอะไรดีเรามีความสามารถที่จะทำอะไรได้เรามีความจำเป็นจะต้องทำอะไรบ้างไม่ต้องทำอะไรบ้างก็จะใช้เหตุใช้ผลได้คำถามจากคุณวันคืนร่วมไปเมื่อวานนั่งฟังพระอาจารย์เทศในท่าพับเพียบเกิดทรมานในขนันขาปวดขึ้นมาเหมือนจะหกัก แต่นึกคำที่นึกคำของพระอาจารย์ให้ลองผ่านไปโดยใช้พุทโธมันก็หยุดปวดได้แต่มีอาการปวดขึ้นมาอีกกระผมก็ทนสู้ต่อไปผ่านไปจนพระอาจารย์ให้ทอกระผมทำถูกไหมครับไม่ไปยุ่งกับการปวดถูกแล้วเป็นการปล่อยวางเวทนาถ้าเราปล่อยวางได้ต่อไปเวลาเราเจ็บไข้ได้ปวด่วยเราจะไม่ทรมานใจใจเราจะเฉยเยจะอยู่กับมันได้อย่างสบาย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 มันจะได้ทําตามสิ่งที่มันอยากจะทําได้แต่ถ้าเราสู้กับมันจนกรทั่งมันแพ้มันก็จะหายไปยั้นถ้ามันยังมาอยู่เราก็ต้องสู้กับมันไปจนกว่ามันรู้ว่ามันสู้เราไม่ได้มันก็จะยกทวงข่าวแล้วมันก็จะหายไปหมดไปยิ่งช่วงที่ต่อสู้กันมันต้องมามันต้องโหมลุกบุกเราลุกเรามากขึ้นไปตามลําดับ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 ถ้าเรามีกำลังสู้กับมันได้เดี๋ยวมันก็ยอมแพ้มันก็หยุดคำถามจากคุณรุ่งปัญญาที่จะรู้แจ้งเรื่องธาตุสี่ที่จะทำให้จิตเราปล่อยวางกายได้ต้องเป็นปัญญาที่เกิดจากสมาธิเท่านั้นหรือเปล่าคะออไม่ใช่หรอกเป็นปัญญาที่มีสมาธิสนับสนุนสมาธิกับปัญญานี่คนคนคนลเรื่องกันปัญญาไม่เกิดในสมาธิน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 เข้ามาของดินน้ำลมไฟและเป็นการแยกสลายของดินน้ำลมไฟไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้เราต้องพิจารณาเหมือนกับเราเรียนหนังสือเราเรียนหนังสือเราหัดบวกล บ, ล บ, ลบคูณหารเราก็ต้องใช้ความคิดเราไม่สามารถที่จะไปใช้มันในขณะที่อยู่ในสมาธิได้เพราะณขณะที่อยู่ในสมาธิจิตมันจะนื่งจะสงบมันไม่คิดอะไรงั้นอย่าเข้าใจว่า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 มันก็เลยต้องไปพอกิเลสมาชวนเพื่อนโทรมาปั๊บไปไหมตุ๊ดจีนใกล้แล้ว น, นะอไปหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าจิตสงบแล้วไม่ไปล่ะพอเห็นด้วยปัญญาว่าไปก็เท่านั้นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาก็เหมือนเดิมชัูวอยากไปดีกว่าไปแล้วก็ไปแล้วก็อยากจะไปอีกมันจะติดจะหยุดไม่ได้แต่ถ้าไม่ไปแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไป ไครม่ชวนไปไหนก็ไม่ไปเห็นไหมเนี่ยเราอยู่นี่มากี่ปี เ, เคยไปไหนไหม mm hmm. อยตโยมมีแต่ไปมีแต่มานี่ไม่รู้กี่กี่รอบวะเนี่ยเราก็อยู่ที่เดียวเนี่ยไม่รู้จะไปไหน mm hmm. อยู่ที่นี้มันสบายอยู่แล้วไปที่ไหนมันไม่สบายกับที่นี่หรอก mm hmm. ถ้าจิตมันอยู่ตัวมันอิ่มตัวแล้วมันไม่อยากจะไปไหนมันกัลลักิเลตตัญหาต่างๆได้ไม่ไม่เดือดร้อน mm hmm.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 ถ้าเป็นเศรษฐีเดียวคนนั้นก็มาขอคนนี้ก็มายืมไม่ให้ก็โกรธเราเกียดเราเอีกด่าเราเอีกนถ้าไม่มีล้มละลายก็ไม่มีใครมาเยี่ยมเราไม่มีใครมายุ่งกับเราเราก็อยู่ของเราพุทธัพุทธไปสบายจะตายไปยนันยอมล้มละลายเถอะยอมหยุดเย็นแล้วจะสบายเมื่อเราล้มละลายแเราจะไปฝืนทําไมเมื่อเราไม่มีปัญญาที่จะใช้นี่ก็ยอมล้มละลายไปเมื่อล้มละลายแล้วเราก็จะได้ ไม่ต้องมาใช้นี่ให้เหนื่อยยากมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้เดี๋ยวสิบปีมันก็หมดใช่ไหม อ, อีกข้อน่อะหมดแล้อยังยัง อ, อ, อีกอข้อสุดท้ายก็แล้วกันคำถามข้อสุดท้ายจากคุณพัชรากสีทำบุญกับพระที่ไม่ได้ปฏิบัติหรือสิ่งไม่บริสุทธิ์ได้บุญไหมครับอ๋อได้บุญมันมีสองส่วนไง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 เราคิดว่าท่านเป็นพระเหมือนกันเราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์เราไม่รู้ว่าท่านเป็นพระทูสิงหเราทำเราก็ทำด้วยก็จิตใจที่บริสุทอยากจะให้ท่านได้รับความสุขจากการทำบุญของเราอย่างนี้เราก็จะได้ความสุขกลับมาเท่ากันเอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต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 สิ่งที่มีคุณค่าคุณประโยชน์มากเราไม่มีเวลารีบใช้เสียอให้มันเกิดคุณเกิดประโยชน์ให้มันเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระน่าจะเสียใจในภายหลังวนู่นี้ไม่ทำดีกว่านู่นนีภาวนาดีกว่รู้อย่างไ น, นก็สายเลยต้องรู้ตอนนี้รู้ว่าตอนนี้เราควรจะภาวนาะตอนนี้เรายังมีเวลานีบภาวนา มันท้องย้อนไปสักกี่ร้านเนี่ยตายไปเอาไปได้อรับความสุกจากการเที่ยวการเล่นกันนี่ได้มาแล้วมันหายไปไหนหมดและมันไม่อยู่พังอยู่ในใจเลยแต่ความสุขที่ได้จากคํานี่มันจะติดอยู่กับใจตลอดแต่ไม่เอาต้องพยายามทํทามันมันเกิดขึ้นยากแต่มันก็ไม่ใช่สุดวิสัย ต้องมีความเพียรพยายามต้องทักนานมันต้องคอยดานใจด้วยภาวนาภาวนาจิ ต, ติพุโทโธพุโทโธจิตวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่ฉุดไม่拉ไม่ดมันไม่ไปเหมือนหามันไม่อยากอาบน้ำต้องลากมันไปอ า, าบน้า <c oughs> ปิดไฟแล้วขฟบครื่องข้าวไฟเครื่องข้าวฟไมีราคาแพงน้ำมีราคาแพ